ขอความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านทุกฟังทั้งหลายแต่รมประโภิยานในวันนี้ก็จะพูดเรื่องอธิษฐานบา ร, รมีซึ่งเป็นบา ร, รมีที่แปดแต่ว่าการตาหลักความเป็นจริงแล้วการนับเนี่ยมันก็แล้วแต่ท่านนับด้วยเรื่องอะไร ในกรณีหนึ่งนะฮะกรณีหนึ่งที่นับมาจากทานศีลเนี่ยก็ถือว่าอธิษฐานก็อยู่ระดับที่แปดอยู่ในประเภทที่เรียกว่าอุปบาอุปการะบารมีเหมือนกันท่านอธิท่า น, ท, านท่านกล่าวว่าถ้าท่านปรารถนาจะ บ, บรรลุพระโพธิญาณแล้วใช้ท่านจงสมาทานอธิษฐานบารมีเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีนั้น นั้นแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้อันว่าปูผาไม่หวั่นไหวตั้งมั่นดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวด้วยลมแรงกล้าย่อมตั้งอยู่ในฐานของตนนั้นชันใดท่านจงพูดไม่หวั่นไหวในในอธิฐานาบารมีทุกเมื่อท่านบำเพ็ญอธิฐานบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้เพราะนั้นคำว่าอธิฐานเนี่ย มันเป็นอาการของสภาพจิตที่ตั้งมั่นไม่วันไหวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าเ น, น้นไปที่เรื่องดีนะฮะในทางทางศาสนานั้นใช้คำนี้อยู่หลายหลายเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องของพระวินัยพระวินัยเราจะเห็นว่าก็มีเรื่องอธิษฐานอยู่หลายเรื่องเช่นว่า เครื่องใช้ของพระภิกษุเนี่ยเกิดท่านแบ่งออกไปสองกลุ่มก็เรียกว่าผ้าอาธิษฐานกับอธิเรศจีวรคือจีวร อ, อธิษฐานกับอธิเรศจีวรในกรณีของการอาธิษฐานผ้านั้นคือตั้งเจตจำนงว่าผ้าผืนเนี้จะเป็นผ้าใช้เขาเรียกว่าผ้าคลองนะ แล้วพอเป็นผ้ากรองปั๊บเนี่ยมันก็มีปัญหาทางวินัยที่จะต้องรักษาเช่นว่าไปไหนเอาจีวรไปไม่ครบสําหรับเนี่ไม่ได้เอาผ้าไตรไม่ครบไม่ครบสําหรับเนี่ไม่ได้นะเว้นไว้แต่กรณีที่วินยัยเขายกเว้นไว้นะฮะตอนอย่างพระเทรส บ, บางรูปเนี่ยท่านก็อธิษฐานผ้านี้เป็นภ้าครองนะแต่วันบวชเคยพบหลวงพ่อองค์หนึ่งอายุต่าง ตอนนั้นก็รวบเจ็ดสิบแล้วนะพ้าครองชุดแรกของท่านยังอยู่เลย แ, แสดงว่าก็ไม่ได้ใช้ที่จริงเขาให้ใช้นะก็ใช้ไม่ได้ให้เก็บไว้แต่ว่าจากการใช้เนี่ยมันต้องดูแลรักษาเช่จนจะขาดก็มีปัญหาทางวินยัยบาททะลุ ก, ก็มีปัญหาทางวินยัยนะมีพวกบาทเนะี่ยพวกจีวรพวกชุดที่เครื่องใช้ต่างๆ เราก็อธิษฐานไว้ใช้ล้วก็มั่นคงดูแลรักษาในสิ่งที่อธิษฐานนั้นไม่ให้มีปัญหาทางวินัยคือจะมีปัญหาทางวินัยเนี่ยไปอ่ะไปไปปรับไว้ในหลายๆเรื่องจะแสดงว่าพระเองก็ต้องหนักแน่นมั่นคงในเรื่องตรงนั้นทีนี้ในบางอย่างเนี่ยเรื่องของเจตจํานงเรื่องของความตั้งใจมั่นการตัดสินใจเด็ดเดี่ยว แล้วก็มั่นคงใครจะยกครนหวั่นไหวเนี่ยไม่ได้อันนี้มีอาการของอธิษฐานบา ร, รมีเด่นชัดนะก็จะเชื่อมโยงอยู่กับสัจจะเราสังเกตเชื่อมโยงอยู่กับสัจจะเชื่อมโยงกับวิริยะอยู่คือมีความเพียรอยู่ตอนเหล่านี้จะมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่ท่านอุ ป, ปมาเหมือนกับภูเขาที่ไม่หวั่นไหวหมายความว่า ธรรมะปฏิบัติทั้งหมดะที่จริงเราจะเห็นว่าศรัทธาพอถึงจุดหนึ่งมันก็เรียกว่าอจจสัสศรัทธาคือศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวศีลเองก็ไม่หวั่นไหวคือหมายความว่าไม่ละเมิดศีลที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เพราะนติฐาน ก, ก็อยู่ในในทุกๆเรื่องนะนะก็อีกอย่างหนึ่งเช่นเช่นระยะ ระยะมันไม่นานเช่นการอธิษฐานเข้าจำพรรษาก็มีเป็นเป็นวินัยอะเป็นวินัยกรรมแต่พระจะอธิษฐานว่าจะอยู่ยำพรรษาในวัดนี้ตลอดสามเดือนนี้แล้วกลับมาถึงกุฏิก็อธิษฐานที่กุฏิว่าจะอยู่ที่กุฏินี่วิหารนี่ตลอดสามเดือนเมื่ออธิษฐานไปแล้วก็พยายามรักษาให้เป็นไปตามที่อธิษฐานไว้ จะออกไปจากวัดในฤดูพรรษาในเทศกาลพรรษาเนี่ยมันจะต้องมีกิจลักษณะตามที่วินัยบัญญัติไว้คืออย่าลืมนะะวินัยนิยกเว้นได้แต่ว่าธรรมะนิยกเว้นไม่ได้ต้องจับประเด็นตรงนี้ได้วินัยนี่เป็นข้อบัญญัติมันโดยสถานะเขาเองแล้วไม่ใช่มีบาปอะไรแต่ว่าเป็นระเบียบกฎกติกาการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะแล้วก็เป็นกติกาของคณะสงฆ์ เพราะฉั้นถ้าเราดูตัวตัวเขาเองนะฮะจะไม่ใช่บาากุลจอสมมรวจบาลีจะรเรียกว่าเป็นปันนติวัชชะคือมีโทษตามพระวินยัยตามบทปัญญัติของพระวินัยแต่นั้นเองแต่ว่าคนที่ที่สมมุตินะสมมุติว่าทั้งบวชในกลางพรรษาตั้บวชได้นะฮะเขาก็เป็นวาเลยทั้งก็ไม่ต้องอธิษฐานพรรษา ท่านก็สามารถไปไหนมาไหนได้ตามปกติแต่ถ้าไปอธิษฐานแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้พอออกพรรษาแล้วก็ไปได้ีกเพราะกำหนดไว้แค่สามเดือนเท่านั้นเองตรงนี้เป็นการรักษาในช่วงต่างๆตลอดรวมไปจนถึงอธิษฐานอุโบสถอธิษฐานอุโบสถก็เป็นหลักการปฏิบัติ สเรื่องนะฮะสมับสมหรัพระเนี่ยสมหรัพระอีกเรื่องหนึ่งอธิษฐานบทสวดของพระอีกเรื่องหนึ่งของโยมอีกเรื่องหนึ่งนะคือหมายความมาถ้าของชาวบ้านเนี่ยก็อธิษฐานเรื่องศีลบทสวดเนี่ยก็ตั้งใจสมาทานศีลบทสวดโดยการอธิษฐานเอาหรือด้วยการสมาทานก็ได้แต่แต่เราก <something. S 1> ็อธิษฐานบทสวดก็พยายามรักษาตามเวลาที่เรากําหนด ส่วนมากการารักษาบทสถศีเมันก็ไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงอะ น, นะคือถ้าเราดูให้ดีแล้วก็ก่อนจะสมาทานศีลในวันธรรมสวรรเนี่ยมันก็ตกประมาณสักสี่โมงเช้าไปแล้วแล้วก็สี่โมงเช้าเนี่ยก็กินข้าวไปได้จนถึงเที่ยงอะ น, นะก็แสดงว่าในตอนวันกลางวันภาคเย็นเนี่ยหกชั่วโมง ภาคกลางคืนอีกก็สิบสองชั่วโมงก็คิดว่าหน้าจะเป็นสิบแปดแต่จริงจริงมันไม่ถึงอ่ะเพราะว่าเวลาสามก็เรียกเห็นลายมือใหญ่เนี่ยก็กินข้าวกินข้าวได้แล้วก็อาจจะสิบเจ็ดชั่วโมงกว่ากว่านั้นนั้นเองตรงนี้เราจะเห็นว่าอาธิษฐานแล้วรักษาถึงตรงนั้นก็จบไม่ถือว่าเป็นพันธะปุพันธ์ที่จะต้องปฏิบัติต่อไป ช่วงระยะเวลาก็สั้นแต่ก็ฝนก็รักษากันน้อยนะศีนโบสถทจริงก็น่าจะรักษากันมากมากอย่างเคยท่งนก็สังเกตว่าเมืองไทยเราเนี่ยชาวพุทธเราเยอะนะแต่เราจ่ายทิธฐานอุโบสถสีนกันคือสมาทานโบสดศีนกันสักที่เซว่าสักสามสิบล้านนั่นนะหมายความมาตัดอาหารกันคนละมือ้อ สามสิบล้านคนทีนี้มันก็เป็นท่าไรล่ะกลายเป็นอาหารสามสี่สิบสองนะฮะสี่วันธรรมสวนะก็เรียกว่าร้อยยี่สิบล้านมือนึกดูอ่ะอาหารมันมันไม่มีผู้บริโภคร้อยี่สิบล้านมือเนี่ยมันจะประหยัดไปได้ขนาดไหนแล้วก็สามารถจะส่งออกไปนอกได้เท่าไหร่ก็ได้เงินมาเท่าไหร่ แต่ว่าคนก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องความหิวก็ส่วนมากแล้วก็กลัวเรื่องหิวกลัวเรื่องจะลำบากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ย ม, มันมีอะไรมาช่วยเยอะอยู่แล้วก็มีพวกน้ำดื่มพวกอะไรเนี่ยก็มาบันเทาความหิวไปได้ก็จริงก็สบายๆนะะคือตั้งงานไม่หนักเนี่ย บริโภกอาหารมื้อเดียวก็พอละอย่างพระกรรมฐานที่เขากินอาหารมื้อเดียวเนะี่ยแต่แม่แต่กินเยอะนะกินจุกจังให้กินในด่านในบาทมันก่อนยังคุยกันกับพระพระที่เขาเคยไปกรรมฐานจริงเขารับสารภาพเลยแล้วเขาบอกเป็นจริงอย่างนั้นหรืพระเราที่ทํางานสอนหนังสือบรรยายอบรมอะไรทางานได้เนี่ยแล้วก็ใช้ค่าไม่มากนะเนี่ย กันขับไม่มากแต่ดื่มน้ำมากหน่อยก็มันช่วยให้ร่างกายเบาแล้วก็จิตใจก็แจ่มใสด้วยนะอธิษฐานตรงนี้เป็นการอธิษฐานระยะสั้นทีนี้ถ้าเป็นพระนี่ ม, นมันมีอย่างหนึ่ง คือเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงไว้วางพระไทยต่อลูกศิษย์ของพระองค์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพระจริงๆเนี่ยตัวเองต้องรักษาเอ ง, เองรักษาความเป็นพระรักษาความเป็นสามเณรเนี่ยเรียกว่าส ม, มณะสัญญามีความจานํกว่าเราเป็นส ม, มัญะอาการกิริยาอันใดที่เหมาะควรแก่สา ม, มณะก็ประพฤติกระทําอย่างนั้นโดยไม่จําเป็นจะต้องมาคุมเครื่องอะไรกันหรอก ถึงแม้เราจะคุมนะฮะถ้าท่านจะละเมิดวินัยขึ้นมาเนี่ยมันละเมิดได้เยอะนะครับเนี่ยแต่เมื่อท่านคุมตัวท่านเองรับผิดชอบในบาปกรรมของตัวท่านเองที่ก็เรียกว่าสุท ธ, ธิสุท ธ, ธ, ธ, ธิปัจจต่างนั้นยนอย่างวิโสทะเย่ยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัวท่านคนหนึ่งจะทําอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้มันเป็นกฎเกณฑ์ของกรรมที่มีความชัดเจนมากเลย เพรวิธีการทางศาสนานั้นจะไม่ควบคุมไม่ว่าภิสูจสามัญนณ เ, นเราไม่ควบคุมแบบชาว บ, บ้านหรอกในระสามนเญณนะะก็จะไม่มีการควบคุมพิเศษมีการอธิบายมีการชี้แจงพูดจากกันทําความเข้าใจกันแต่นั้นเองแล้วก็สามัญณต้องสํานึกสําเนียกเอาเองแต่ในขณะเดียวกันเมื่ออยู่ในภาวะที่ยังไม่พร้อมจะพัฒนาขึ้นไปสังโกเบงก็ต้องมอง ก็มองด้วยความเข้าใจไม่ใช่ไปมองโดยขีดเส้นว่าบวชปัตตองบริสุทธิ์ปุ๊บอย่างไี้มันไม่ได้ความคิดเราเนี่ยังยังยังมีอยู่เยอะแล้วทำให้เราละเลยปัญหาข้อเท็จจริงในเรื่องเราันี่ยที่จริงในศาสนาก็เอาคนมาฝึกแต่นั่นเองนะฮะศิกษาแปลว่าศึกษาก็คือฝึกปรืออบรมปฏิบัติพัฒนาไปเรื่อยๆได้มากน้อยขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นทำให้พระเนี่ยสามารถจะอยู่องค์เดียวได้ตลอดไปโดยไม่มีปัญหาทางวินัยนะฮะเพราะว่าถึงวันอุโบสถท่ทถานก็ติฐานอุโบสถเอาว่าคำง่ายๆนะฮะอาจจะมีอุปโสถโถเท่านั้นเองอุโบสถท่านจึงแบ่งออกเป็นเป็นสามก็เรียกว่าบุคคลโบสถคณะโบสถสังฆโบสด หมายความว่าถ้าพระอยู่หนึ่งสองสามเนี่ยฮะสองสามหนึ่งก็อธิษฐานเอาองค์เดียวนะฮะสองสามสี่ไอ้สองสามนะฮะก็สะแสดงอบัตตอกันแล้วก็ทำเป็นคณะบวสดคือบอกทำเป็นคณะบวสดประกาศความบริสุทธิ์ของกันและกั น, กนต่อกันนะฮะทีนี้ถ้าสี่รูปขึ้นไปก็จะมีการสวดปฏิโมก อย่างในวันธรรมสวณทั้งหลายพวกนี้ก็เป็นเป็นแบบอธิษฐานอย่างหนึง่งอธิษฐานถ้าเรียกว่าอธิษฐานบทสดแต่ว่าตัวอธิษฐานที่เน้นเป็นบารมีจริงๆมันเป็นความหนักแน่นมั่นคงอยู่ภายในใจคือคือตามแต่จะทำอะไรมันก็มีตัวนี้อยู่เช่นว่าเกิดกุศลและเจตนาจะให้ทานเนี่ยต้องให้ให้ได้ ไม่ว่าใครจะห้ามปราบตักเตือนอ่อนวอนขอร้องยังไงก็ตามคือต้องทำให้ได้ไม่อ่อนไปต้องการจะรักษาศีลต้องการจะบวชสมเดือนอะไรแต่ไรเนี่ยแล้วก็อธิษฐานอยู่ตรงนั้นมัน่นมักแนบมั่นคงไม่ยอมสึกไม่ครบสามเดือนไม่สึกเป็นแล้วก็เป็นไปมันจะทำให้คนเข้มแข็งเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ไปเจอปัสสัคอันตรายอะไรเข้ามาก็าตามนะเขาก็ทนทานต่อปัสสัคอันตรายเราด้านใดเพราะงั้นบารมีตัวนี้มันจึงอยู่ทุกเรื่องไง น, นะเช่นว่าการที่จะทําหน้าที่เจนว่าสมุทรสามีปัญญาเนี่ยแต่มีปัญญาก็ต้องมีติฐานภายในใจที่ว่าหนักแน่นจะต้องพยายามทําตนเป็นสามีที่ดีให้ได้เป็นปัญญาที่ดีให้ได้ เราก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขให้ได้บางทีอ่ะบางคราวก็อาจจะอธิษฐานใจว่าเราจะไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นในที่รับหลังเขาถ้าจะพูดก็พูดต่อหน้าเลยหรือจะพูดแบบนินทาเราก็ไม่พูดในตัวนี้มันมันจึงจึงใช้ไปในทุกเรื่องมันเป็นลักษณะของจิตหนักแน่นมั่นคงจนถึงกับ อะไรล่ะคือเวลากระทบอารมณ์เวลากระทบอารมณ์เช่นเช่นเชนเนี่ยเช่นเช่นว่าคนบางคนอธิษฐานเช่นว่าสมุเราเลิกสูบุรีเอาดูง่ายๆเนี้ยเลิกสูบบุรี่ก็คืออธิษฐานอธิษฐานว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่อย่างในเทศกาลข้าวรรษาเนี่ยชาวพุทธก็ น, นิยมนิยมเอาอะไรเนี่ยเอาเล้าบ้างเอาบุหรีบ่บ้างอะไรบ้างข้าวปั้นา แต่ออกพรรษาก็ฉลองจะเต็มคราบเลยคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอกนอกพรรษาดีกว่านะเพราะนอกพรรษาก็มีตั้งเก้าเดือนในพรรษามีแค่สมเดือนเท่านั้นเองจะทําทความดีสักทีเนะอาสักเก้าเดือนแน่นะทีนี้ถ้าทาได้ถึงเก้าเดือนแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปดังนั้นอธิษฐานเช่นว่าเราจะเลิกสุบริเอาสมเด็จเลิกสูุบริเพื่อนจะมาชวนจะให้ทดลอง นะเอากลิ่นมาได้อะไรก็ตามะนั่งสูบไปเราเห็นก็ไม่พอใจไม่ยินดีก็เป็นเรื่องน่าสังเกตนะฮะตอนนี้คือโทษของบุรีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากจริงๆโทษของสุรากับไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่ก็คงจะเอาไอ้หลักวิชาการเข้ามาปนอยู่เยอะเหมือนกันคือเรื่องบานเรื่องนี้เคยถามพกนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเมื่อเราทําลายมันไม่ได้เนี่ย เราอามาเป็นประโยชน์ไม่ได้หรือคือทํายังไงมันเกิดประโยชน์เสียอย่างเนี้ยมีมีอะไรต่างๆเป็นมันมากที่ในบ้านในเมืองคือโดยหลักการต่อสู้เนี่ยต่อสู้กับจัดสู้หรือต่อสู้อะไรก็ตามนะคราว่าถ้าทําลายไม่ได้ต้องเอามาเป็นผู้ใครได้ถ้าไม่งั้นเราจะจะแย่แยเลยเดีจะอยู่ด้วยความหวาดระแวงวิตกกังวลห่วงใยกลัวปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้น เพราะอธิษฐานเนี่ยมันมันจึงเป็นความรู้สึกภายในใจมันไม่เจนถึงก็ต้องไปบอกกล่าวอะไรให้ใครก็ทราบแต่ว่าเมื่อตั้งใจแล้วก็ทำได้ตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็ทำไม่ได้มันก็ไปเชื่อมเชื่อมโยงกับพวกสัจวาจานั่นแหละราะวาจาเราก็รับปากรับคาเขาแล้วในะที่สุดก็ต้องทำไม่ได้ตามนั้น มีเจตจำนงมีความมุ่งมั่นจะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่งนั้นแล้วก็มีอะไรมารบ ก, กวนเยอะนะฮะตามปกติแล้วก็จะมีอะไรมารบ ก, กวนมา ช, นชวน ช, ชวนชักชวนบอกหน้าเช่นอย่างฟาสสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเยอะต่างใจเด็ดเดี่ยวจะบวชบางทีก็บวชได้นะบางทีก็บวชไม่ได้ เพราะอะไรเพราะว่ามันมีคนมีญาติพี่น้องมีพัญญามีลูกมีอะไรแต่ใดเนี่ยมาขัดขวางไว้แลยถ้าใจท่านอ่อนแอใจอ่อนไหวแล้วเนี่ยมันจะไหลตามมันจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองในที่สุดก็คนเราถ้าพออ่อนแอสักครั้งหนึ่งแล้วมันก็คุ้นเคยไม่เห็นไปนเรื่องเสียหายอะไรก็อ่อนไหวไปเรื่อยๆกลายเป็นคนที่ไม่มีหลักไม่เกณฑ์อะไรทุกจุด ของการทำความดีอธิษฐานให้ใช้ในการทำความดีหรือเป็นความชั่วนะะใช้ในรูปสองรูปต่าเดงคือทำความดีหรือเป็นความชั่วไม่จะ่ทำความชั่วแลยก็อธิษฐานหนะักแน่นมั่นคงจะต้องทำให้ได้ไม่ใช่งั้นนะะคือมาความพวกนี้เป็นกุศลธรรมคําว่าบารมีเนี่ยบแปล ว, ว่าการเก็บการสะสมความดีตัวบารมีนั้นจะทําหน้าที่ขจัดสิ่งที่ทรงกันข้ามกับตน เช็นความอ่อนแอความขี้เกียจความท้อถอยความเหนื่อยหน่ายอะไรต่รตตางๆเราเห็นว่าถ้าจิตใจไม่หนักแน่นแล้วก็ไปก็ไม่ต้องอะไรเช่นเรานั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็ก็มีอธิษฐานเข้ากำกับอธิษฐานจิตว่าจะนั่งสักสมมติว่าสักนั่งสักชั่วโมงไงก็คือชั่วโมงหนึ่งมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะอะไรก็ไม่รู้ แต่ถ้ายังไม่ครบชั่วโมงก็จะไม่เลิกนั่งสมาธิแต่ว่าการอาธิษฐานอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่ารีบๆพูดเดียวไปถึงไปถึงชั่วโมงนะฮมันก็ไต่ลําดับไปเรื่อยๆก็อย่างที่เคยพูดไว้ในอธิษฐานธรรมสีนะ่พอปัญญามันต้องมีการตรวจสอบพิจิพิจารณาเสียก่อนแล้วก็จะจึงไปตั้งอธิษฐานในลักษณะนั้น ถ้านิ่งๆก้าวกระโจนพูดขึ้นไปแม้แต่สามสิบนาทียังไม่เคยนั่งแล้วกระโจนขึ้นไปชั่วโมงมก็ทําไม่ได้นะพร้อมก็ต้องเสริมความเข้มแข็งไม่ใช่เป็นวิธีก้าวกระโจนการไปวิบัติธรรมะมันก็อย่าลืมลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่าสันเหลกะคือขัดเกลาไปเรื่อยขัดถูไปเรื่อยเหมือนกับขัดสนิมเหล็กขัดสนิมพัชนะหรือว่า ถูพื้นรีดผ้าอะไรตัวรเนี่ยมันก็ทำไปเรื่อยๆทำไปโดยลำดับจนกว่าจะบรรลุผลตามที่ตนต้องการลักษณะของอธิษฐานในภาษาไทยนั้นเราจะเห็นว่ามักใช้ไปในความหมายว่าตั้งใจหรือมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตั้งจิตปรารถนาไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่ะแต่ว่าถ้าในในบาลีแล้วก็บางเรื่องจะหนักแน่นมาก ก, เก็เป็นอะไรก็เป็นกันเป็นอะไรก็เป็นกันคือทำเต็มที่เลยแต่ในการในช่วงที่สแสวงหาสัมพธิญญอยูเ น, นี่ยพระโพธิสัตว์หนักในทางอธิฐานนิยมหมายความมาทำอะไรแล้วก็ไปสุดๆเลยถ้าไม่บรรลุผลแล้วจะไม่เลิกลากความเพียรพยายา คือไปอ่านที่รับสั่งเล่าให้ภาษาในบุตรฟังในมหาสีลนาทสูตรแล้วมาอ่านอ่านไม่อ่านทุกคําอ่ะมันรู้สึกรู้สึกสงสารพระพุทธเจ้ายัางไงบอกรวมคือท่านทรมานเหลือเกินทุกทรมานเหลือเกินไม่น่าที่จะรอดมาได้เราดูแล้วที่ไปทําเนี่ยแล้วทำแล้ทําจริงหมดเลยทุกเรื่องแต่เรื่องอะไรก็ตามไปจริงหมดเลย นั่นก็เห็นไหมมีทั้งสัจจะมีทั้งวิริยะมีทั้งขันติมีทั้งอธิษฐานอ่มีทั้งปัญญามีอะไรอะไรก็ครบันแหละธรรมะธรรมะเหล่านี้เวลาเรายกข้อไหนขึ้นมาแสดงก็หมายความว่ า, มาข้อนั้นเขาเด่นเราพูดในกรณีที่เป็นผู้นาในกรณีนั้นไม่ใช่ว่ามาโด ด, โดดมาเลยเป็นข้อเดียวนะ ธรรมะเขาเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนกันและในขณะเดียวกันมันก็ขจัดธรรมะที่จงกันข้ามกับตนที่ท่านเรียกว่าปฏิปักษธรรมคือธรรมะที่ตรงกันข้ามกับตนให้จางไปคลายไปบรนเทาไปเพราะเมื่อจิตมันมั่นคงเด็ดเดีย ว, แ น, วแน่แน่ไม่โยครอนวันไหวแล้วเนี่ยมาถึงจุดหนึ่ง อาการอ่อนแอทั้งหลายอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างหิวอ่างกระหายเจ้าสายบ่ายเย็นเหนื่อยแล้วปวดท้องปวดอะไรปวดหัวเนี่ยมันมันต้องสงบไปเองเพราะพวกนี้จะไม่ยอมสยบแล้วในที่สุดเนี่ยพวกนั้นจะต้องสยบแต่ตามปกติแล้วก็ชักกระเยอะกันพอสมครัวนะในภาคสนามในภาคของการปฏิบัติเพราะว่า คนเรายังไงก็ทนุถนอมตัวเองเห็นแกตัวเองแต่แนวก็าอาธิษฐานนั้นเป็นระบบนำด้วยปัญญานะอย่าลืมว่านำด้วยปัญญาไม่ใช่ว่านึกๆจะใช้ ก, าชาก็ใช้ไปเลยทั้งฝั่งทนายแต่ลบประพูติญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมอหงำไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยตัวกันสวัสดี